แต่ประหนึ่งมีแสงสว่างจุดไว้ภายในกิจมีความสงบเย็นมีความพร้อมที่จะช่วยปลอบประโลมผู้กลัดกลุ่มรุ่มร้อนทั้งหลายวาที่ต่างคนต่างดิ้นรนเกลือกริ่งอยู่ในความทุกข์มีหน้าตาดำคร่าเครียดด้วยเรื่องราวต่างๆมีรู้แล้วนั้นมิใช่ว่าความทุกข์เหมือนวิ่งไล่คุกคาม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 ไม่ใช่การนั่งทวงผลบุญหรือมุ่งหมายจะให้เกิดสิ่งตอบแทนตั้งร้อยตั้งพันเท่าทำดีทำชั่วนั้นผลดีชั่วปรากฏแล้วตั้งแต่วาระแรกที่ลงมือทำเปรียบเสมือนตราประทับเครื่องหมายลงไป บนแผ่นดินเหนียวถ้าเป็นการกระทำความดีก็ชื่อว่าประทับตราฝ่ายดีลงไปในจิตใจของเราถ้าเป็นความชั่วก็เท่ากับประทับตราฝ่ายชั่วลงไปแล้วส่วนผลที่จะตามมาภายหลังอีกนั้นเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากตราแห่งความดีความชั่วที่ประทับลงไปในจิตใจของเราในคราวแรก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 แล้วก็รามือไปทำอะไรไม่ติดต่อเพราะชอบแต่รับผลแต่เกียดคล้านที่จะประกอบเหตุดูก่อนโคกระบือทั้งหลายเจ้าทำงานหนักโดยไม่ปริปากบน่นแต่คนเขาจะบ่นตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำอะไร เพราะเขาอยากจะให้ฝนเงินฝนทองตกลงมาเต็มบ้านเต็มเรือนของเขามากกว่าการที่จะต้องลาบากทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องความเพียรเป็นประหนึ่งศัตรูในตอนแรกแต่เป็นญาติสนิทในตอนหลังส่วนความเกลียดคร้านเป็นญาติสนิทในตอนแรกแต่เป็นศัตรูในเบื้องปลายท่านจะเลือกครบใครก็ครบเถิดจงรู้จักเหตุ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 และยังเป็นสาเหตุให้เกิดหนอนช่วยกัดกินเนื้อของมันอีกด้วยช่างน่าสางสารน่าสังเวชอะไรเช่นนั้นการทำลายชีวิตนั้นเป็นของง่ายแต่การสร้างชีวิตนั้นยาก